บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปความไม่รู้ในทุกขษสัตว์ตามที่ได้ทรงแสดงไว้นั้นเป็นการแสดงไว้หลายระดับคือาสตรบใดที่ยังมีความทุกข์เกิดขึ้น เกี่ยวกับนามารูปเหล่านั้นตามนั้นก็ถือว่ายังไม่รู้ทุกที่แท้จริงความทุกนั้นเมื่อกล่าวโดยสภาพจะมีลักษณะสากลโดยทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายและไม่มีชีวิตทั้งหลายแต่ในส่วนของทุกข์ษัตริย์นั้นจะเน้นความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิต คือเป็นความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากตัณหาความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสภาวะทุกข์นั้นสืบเนื่องมาจากตัณหาคือกิเลส ท, ที่เป็นเอสที่เราเกิดมาตรงนี้ต่เรียกวเป็นสภาวะคือเป็นความทุกข์โดยธรรมชาติแต่ถ้าเรามองโดยพื้นฐานทั่วไปคนเราก็รู้เรื่องความเกิดเรื่องความแก่เรื่องความตาย และเป็นนั้นมากที่รู้ว่าทุกโดยเฉพาะแก่เจ็บตายนั้นเราเห็นว่าเป็นทุกข์ที่ชัดเจนแต่ความเกิดบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นเห็นมากเห็นน้อยแต่เมื่อกล่าวโดยนยัยยะของธรรมะแล้วก็ไม่ชื่ว่าเห็นความทุกข์ตรงนั้นอย่างแท้จริงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย ถ้าเห็นความทุกข์เหล่านั้นจะต้องมีปัญญาเกิดขึ้นกำกับจิตใจไม้ตกอยู่ในกระแสะแห่งความโศกเมื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายให้ลองสังเกตว่าทุกที่จอดเข้ามาถึงจะเรียกว่าปกิาการิยาทุกข์แต่แก่ความโศกความราไรราพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการ หรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไปต้องการตลอดจึงมีปัญหาที่ทับถมห ม, มักห ม, มมอยู่ภายในใจมากที่เรียกว่าอุปาญาตคือความขับแขนใจแต่อย่างนั้นจะเห็นว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาเพราะการพรพากนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความทุกข์สากล แต่เป็นความทุกข์จากจิตที่ยึดเท่านั้นปนัญหาว่าเราพระพรากจากอะไรถ้าเป็นกา ร, รพระรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของที่เรารักเราก็เกิดทุกข์แต่เกิดพระพรากจากของคนสัตว์สิ่งของที่เราไม่ชอบเราก็เกิดสุขก็แสดงเห็นว่ากา ร, รพระภรากนั้นไม่ใช่เป็นตัวความทุกข์จริงๆแด่มันเกิดจากจิตไปยึดถือเอา ยึดถือในแนวที่มีกิเลสมากมากมันก็เป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ทั้งส่วนของกิเลสประเภทโลภะราคะหรือประเภทโทสะจะเราต้องการให้คนที่เราไม่ชอบพิบัติไปเขาไม่ประสบความพิบัติเราก็เป็นทุกข์เราไม่ต้องการญาติพี่น้องก็เราประสบความพิบัติญาติพี่น้องประสบความพิบัติเราก็เป็นทุกข์ การตั้งความรู้สึกหรือตั้งความมุ่งหมายไว้ในรัต น, นนันี้เป็นการฝืนกติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในเมื่อเราตั้งความปรารถนาขืนฝืนปกติธรรมดาเช่นนี้แน่นอนก็ต้องประสบกับความผิดหวังในหลายๆเรื่องแล้วส่วนมากก็จะผิดหวังแต่จุดนั้นเองถ้าเรามี ปัญญาเข้าไปพินิษฐ์ปิจนาคือเป็นความรู้ระดับพิจารณายติทรงสอนในแนวของการพิจารณาลำหลักของปิญญาปัจเวกขณะคือมองความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนในพิจารณาเรื่องของกรรม ประการมือการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากเจตนาของเราเองถ้าเราไม่คิดจะทําจะพูดการทําการพูดก็เกิดขึ้นไม่ได้แลการคิดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิณิพิจนาว่าเราจะต้องรับผิดชอบผลของกรรมเ่านันในเมื่อเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ก็จะเกิดความคิดที่จะสร้างเหตุได้เกิดความสุขหมดเว้นเหตุทจะเกิดความทุกข์คือแสดงในจุดนี้ที่จึงเราคุมได้ แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพรากนั้นเราจะคุมไม่ร้อยเอร์เซนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้โดยสภาพจริงๆแล้วบังคับไม่ได้แต่บางขณะเราเกิดบังคับได้เกิดมาบ้างก็ถือว่าไม่ถึงกันทั้งหมดทีเดียวตอนนี้จะเห็นได้ว่าความทุกข์ระดับที่ใช้ปัญญาพิจิตรปิจนารณาอย่างน้อยก็ช่วยฉุกคิดได้คิด แล้วก็หวนคิดขึ้นมายับยั้งชั่งใจได้หยุดอารมณ์ของตัวเองไว้ได้ไม่รู้อํานาจแกอารมณ์ของความรักความชังที่มีการพรากเป็นต้นปัญญามันก็รู้เท่าทานมาร้องโหยร้องไห้ไปมันก็เท่านั้นเองอย่างสำนวนที่เราพูดกันแพร่หลายว่าคนตายแล้วไม่ฟื้นขึ้นร้องไห้ไปเขาก็ไม่ฟื้นไม่ร้องไห้ก็ไม่ฟื้น พอไปตามกรรมของเขาเราอยู่ตามกรรมของเราก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่การวิบรต์คือกูนั้นเป็นการเสริมสร้างกุศนกรรมโดวยว้องดเว้นอกกศสนกรรมในขณะที่การความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นสภาวธรรมมันเป็นเรื่องสากลของสรรพชีวิตที่เกิดมาเราก็มีปัญญารู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมชาติของเป็นธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละที่ส่งใช้กับว่าตาตาตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันเคยเป็นยังไงมาแล้วในอดีตในส่วนใดของโลกมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตโลกมีสิ่งมีชีวิตจุติจากปลายโลกมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มองในแนวที่เป็นสารบัญลักษะในระดับของการพิจารณาแต่ในจุดนี้บางทีมันก็พิจารณาไม่ทัน อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เราใช้นั้นบางครั้งมันก็คุ้มครองตัวเราเองไม่ได้จนเพื่อนฝูงประสบกับความพิบัติสูญเสียพระพรรยาพี่น้องตายทรัพย์สินเสียหายแต่เกิดสภาพบ้านแตกอะไรต่างๆเราในฐานะที่เป็นเพื่อนก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้สติให้เหตุผลจุดหรือเกื้อกูลกันเทตามที่จะช่วยกันได้ บางครั้งเราอาจสามารถบรนเทาความโศขซึ่งเกิดขึ้นแก่เพื่อนได้แต่พอสภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่เราบางทีก็ตั้งหลักไม่ได้ที่เรียกว่าผมเข้าตาตัวเองเพราะความรู้ระดับนี้จึงเป็นความรู้ระดับที่ต้องมีปริมาณปัญญาในการคิดที่เรียกว่าจินตามัญญปัญญานี้มากพอเดี๋ยวคิดทันก็เป็นอาการของจิตที่มีสติสมัมปชัญญะ รกรู้ทันถึงความจริงของสิ่งเห น, นั้นซึ่งอาจจะต้องข่มใจหักห้ามติดใจอยู่สักระยะหนึ่งและถูกความเข้าโศกท่วมท่วทับสักระยะหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดได้เกิดได้สติขึ้นมาก็ข่มใจได้ญนี้พระเจ้าทรงแส ด, แดงแก่นางวิสาขาซึ่งร้องไห้เสียใจประหลาดตายไป ต, ตอนนี้ก็ต้องพูดไกคิตแหละกระรับสั่งวิสาขาเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนบอกว่าต้องการให้เด็กหนุ่มสาวๆาวเด็กหนุ่มหนุมสาวสาวในเมืองสาวัตถีนี่เป็นหลานของแกทุกคนผู้ารับสั่งถามมาแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี่ก็ตายกันวันละกี่คนเขบอกว่าตายกันมากกว่า น, นั้นเจ็ดคนแปดคนเก้คนสิบคนก็นับไปเรื่อย คุณจะว่าถ้าหลานเธอมากอย่างนั้นจริงๆเลยคนตายก็นอย่างนี้จริงๆก็แสดงว่าเธอต้องโศกตลอดเวลาตลอดชีวิตหน้าหน้าของเธอก็จะอาบไปได้วยน้ําตาตลอดตรงนี้ก็เป็นการเสนอแนวให้คิดจะเห็นว่าไม่ใช่สั่งสอนแต่เป็นการแนะให้คิดนะวิชาขาท่านเป็นปริญบุคคลระดับโสด บ, บัณฑ์ปัญญาท่านมากพอในระดับหนึ่งเพราะตรงนั้นท่านจะช่วยตัวเองท่านได้ คงความโศกไว้ได้มีจิตใจเช่มชื่นเบิกบานปฏิบัติหน้าที่ของบาสิกาที่มาวัดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เราจะเห็นว่าปัญญาระดับคิดเนี่ยมันเป็นการบรรเทาความรุนแรงของกิเลสสาบเท่าที่เรายังคิดอย่างนั้นได้แต่สามารถจะเหตุผลชี้แจงแก่เพื่อนฝูงได้ สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองได้แต่หากว่าปริมาณของปัญญาได้เก็บสะสมไว้ภายในจิตใจมากพอแต่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนรือจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะน้าคำสอนจึงทรงสอนระดับปริญญาที่เรียกว่ารู้ด้วยการละได้ส่ว น, นี้พึงถึงสังเกตว่าจะทรงแสดงไว้หลายชุดแต่ก็ชุดละสาทางนั้น แสดงในรูปของปัญญาซึ่งทําหน้าที่กระจัดอวิชชากระจัดความหลงเนี่ย อ, อสุตามัญญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ตามภาษ า, ศาสัมผัสจิตตามัญปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเอาสิ่งซึ่งเราเรียนรู้มานั้นมาคิดอย่างมีระบบมีกฎมีเกณฑ์นในการคิดตัวนี้อาจารที่บอกว่ามันก็กำราบกิเลสได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่รุนแรงเกินไปก็พอคุ้มครองตัวเองได้แต่ก็ไม่แน่นอนเพราะาเราไปควบคุมอาการกระแทกกระทันทางจิตใจเราไม่ได้ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยยังไงก็ไม่รู้ตัวเด่นว่าคนคนปกติธรรมดาเนี่ยมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองใจตัวเองได้จริงระดับหนึ่ง แต่สมมุติว่าคนเดินคนคนนี้ยเดินไปกลางถนนแล้วถูกคนแต่และคนที่เรา ส, ว น, าสวนไปเขาสวนไปเดี๋ยวชี้หน้าบอกคนนี้เป็นคนบ้านคนนี้เป็นคนบ้านคนนี้เป็นคนบ้ า, นนนนบาก็ว่าไปเรื่อยๆนะไปถนนไหนก็ถูกคนชี้หน้าได้อย่างไงจุดแรกๆก็อาจจะทนได้แล้วก็แผ่เมตตาไปได้ให้ไปไปได้ก็ถือว่าคนเราก็เข้าใจผิด ก, กันได้แต่มันเล่นบ่อยๆเล่นซ้ำๆซา เดินไปทุกถนนเจออย่างนั้นทุกทีเนี่ยมันจะเอามาอยู่มันเกิดรูปอํานาจแกอารมณ์ที่เราว่ามีการดั่วยุ บ, บ่อยๆถูกการยัวยุ บ, บ่อยๆและถูกการยัวยวน บ, บ่อยๆเนี่ยเอามาอยู่แต่ในจุดนี้แหละถ้าจิตใจมั่นแข็งจริงๆหมายความปัญญาเข้ากํากับได้ตลอดจริงๆแม้จะไม่ถึง ก, กับละกิเลสได้ถ้าไม่แรงมากมายจนเกินไปถ้าก็คุ้มครองกลัวท่านใด อย่างที่ได้เคยเล่าพระพุทธเจ้าเล่าถึงราชกุมารกับมา้าเพื่อนที่เป็นเป็นมาเป็นมรนมรในหวังห้าคนเดินทางไปเพื่อรับราชสมบัติที่เมืองมิถิลาเดี๋ยวก็ตกตักเตือนตกลงกันแล้วว่ถาถ้ำกลางอารมณ์ที่เรากระทบในเส้นทางเนี่ยมันจะมีลักษณะหลายๆอย่าง แต่ทั้งหมดทุกวิธีนั้นคือต้องการเอาเรา ไ, ไว้ไหวในอำนาจเพราะว่าเราจะประมาทจะเผล่หรืออ่ อ, อ, อนไว้ง่ายๆแล้วก็จะเดินทางไปสู่จุดปลายปลายทางได้ปรากฏว่าเพื่อถ้าคนนั้นคนแรกถูกล่อโดยรูปคนที่สองถูกล่อโดยเสียงโดยเสียงคนที่สาถูกลอดโดยกลิ่นคนที่สี่ถูกลอโด้วยรสคนที่ห้าถูกล่อโดยสัมผัส พ่ายแพ้ต่อความรู้สึกนกคิดของตัวเองแล้วก็กลายเป็นเป็นเหยื่อเป็นอาหารของยักษกินีในป่าไปพระโพธิสัตว์นั้นมีปณิธานแน่วแน่ราชกุมารนั้นมีปณิฐ า, า, า, านเต็แน่วแน่ตราใดที่ไม่ถึงจุดหมายจะไม่วอกแวกจะไม่สับสนจะไม่มีอาการเลิกรลักพนางยักษกินีทั้งห้านั้นก็เบียดเบีย น, น่ันรารวมทัน ยั่วยวนโดยยุยยยยดโดวยวิธีการต่างๆเพียงแต่ว่าท่านมั่นคงท่านไม่หวั่นไหวแล้วก็ไปสู่เมืองตักกศิลาแล้วก็ได้เป็นประชาชในที่สุดได้เพราะเราเห็นว่าแนวตรงนี้บางครั้งก็ส่งสอนให้เราเกิดความคิดที่จะเสริมพลังทางจิตให้มีความหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่า เป็นสมาฮิตะมีจิตหนักแน่นบางเป็นสมาชิคือบั่นคงบางเป็นเอกะกะตาคือจิตจอยู่ที่อารมณ์อันเดียวไม่บวกแวกไปในที่ต่งตางๆบางก็เพื่อต้องการให้บุคคลเหล่านั้นใช้ความรู้ในการขาจัดหรือลดความรุนแรงของกิเลสลงไปเรียกว่าไม่ถึงกับไปครอบงําจิตใจได้เพราะแนวของการเจริญสมาชิ ก็เพื่อจะคุ้มครองจิตเอาไว้ไม่ให้ อ, อกรับอารมณ์ข้างนอกมันก็คล้ายๆกับเราคนไปเก็บไว้ในห้องแล้วก็ติดแอร์คอนดิชันอย่างดีเสียงไม่เข้าไปจากข้างนอกเสียงข้างนอกก็ไม่ออกมาข้างนนในภายในจิตใจเขานั้นอาจจะมีความรู้สึกอะไรอยู่ได้ แต่ยังไงก็ตามมันไม่แรงจนถึงขนาดต้องพูดออกมาทางวา จ, จาหรือต้องทำออกมาทางกายตรง น, นี้ก็สอนให้ฝึกไประดับเขาเรียกว่า ป, าปิญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการละไะดะ้ในระดับของปัญญาก็ส่งใช้คำว่าจินตามายปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด แล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติคือทาความดีที่ยังไม่มีมีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นแต่ในภาคของการใช้ปัญญาท่านเองยังทรงใช้คำอีกสามคำหมายความเป็นภาคของการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนอยาคือจะดีพิเศษยังไงก็ตามถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นอันตรายได้ เพราะจะต้องมีปัญญามีความฉลาดรอบรู้ในการใช้เพราะยังแสดงว่าอุบายโกศลฉลาดในทางเสื่อมอายโกศลฉลาดในทางเจริญอุบายโกศลฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินชีวิตไปในทางเจริญซึ่งก็หมายความว่าถ้าปัญญาสามารถเกิดเป็นรูปของอุบายวิธี อุปายะแปลว่าฉลาดนะฮะจริงๆก็แปลว่าฉลาดแล้วก็มีอุบายยบิธีที่จะหลีกนีทางเสือกได้คนเหล่านั้นก็สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทุกระดับหมายควมว่าสิ่งที่เราประสบในชีวิตประจำวันก็เป็นบทเรียนในการกระตุน้นเตือนในกา ร, รลดละกิเลสในการเสริมสร้าง ปริมาณของปัญญาวิชาให้สูงขึ้นภายในใจได้เพราะในตรงนี้จึงทรงสอนในแนวของการศึกษาศึกษาจากอะไรก็ได้ข้อสำคัญไวใ้ใจสงบใจรู้ความสงบเป็นการสยบกิเลสใจรู้เป็นการล่า ก, กิเลส ก็เหมือนก็แสงสว่างที่กระจัดความมือก็ตามกำลังของแสงสว่างไม่ใช่กระจัดทีเดียวหมดในการปฏิบัติก็จะมีแนวขัดเกล่ไปเรื่อยๆก็พยายามทำไปเรื่อยๆสังเกตูความเปลี่ยนแปลงไปํานองกับการทางานทั้งหลายนะเช่นว่าขัดผ้าจนะขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปกัดไปก็ดูไปบางทีเพื่อแน่ใจนอกจากดูแล้วเอามือไปลูบดูด้วย ปตาตไปดูด้วยหรือบางทีต้องเคาะฟังเสียงดูด้วยไปเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นต้นซึ่งหมายความว่าแต่ละอย่างนั้นจะเป็นเครื่องจับจิตเอาไว้ให้เกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็โยงใยกันหลายๆเส้นมันก็จะมีความมั่นคงซึ่งแน่นอนในภาคการปฏิบัติจริงๆก็ไม่จะทําได้ไง่ายๆเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องใช้ความพยายามกระทาไปบ่อยๆกระทาไปเรืเ่อย เราทีจะทำได้เพราะตัวปายะนีเน่เป็นเรื่องใหญ่มากเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสภาพที่เรียกว่าตกกระไดพลอยกระโจดตัวเองไม่ได้ตกหรอกแต่พอดีมันไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมินเม์ต่อความผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถจะหยุดตัวเองหรือ้ามใจตัวเองไม่ข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นได้กับสถานที่เหล่านั้นได้หรือแม้แต่ในขณะนั้นนนั้นเองก็ไม่อาจจะนำตัวออกมาจากสถานที่นั้นเราแสดงเห็นว่าความฉลาดแต่มันมีอุบายวิธีมีเพียงแต่ว่าการตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวพอ เช่นเพื่อนบอกขอรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนั่งเพื่อนกันก่อนจนะนดูอะไรให้หน่อยอะไรอะไรเนี่ยก็าจะขอร้องแล้วตอนนั้นด้วยความรักเพื่อนความเกรงใจเพื่อนเนี่ยมันทำให้ปัญญาที่จะตด ส, สอบพิจารณาวินิจฉัยตัดสินสั่งการเนี่ยมันไม่มีกำลังพอไม่กล้าเพราะเกรงใจเพื่อนเขกลัวเพื่อนจะน้อยใจกลัวเพื่อนจะโกรธกลัวเพื่อนจะมีปัญหา กวจะเข้าหน้ากันไม่ได้แลยก็แล้วแต่เพรา ะ, ะตัวอุบายวิธีเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปในระดับเด่นก็คือสามารถหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเอลองสังเกตว่าเวลาทรงสั่งสอนนั้นบางชีมันก็ก็เรื่องธรรมดาธรรมดาแถวๆนั้น แต่เราสังสารวัตรมาสอนด้วยมเมล็ดมะม่วงที่เห็นว่าลักษณะของสังสารวัตรมันก็เหมือนกับมเมล็ดมะม่วงมเมล็ดเน็ตถ้าหน่อยยังไม่ถูกทําลายก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเหนียวในพืชก็ยังมีอยู่เนี่ยแกก็ ง, งอกแข็งแก่ได้เรื่อยๆแต่กี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้ก็มันสืบต่อพืชพันธุ์กันไป ในจุดนี้แหละบางครั้งก็เอามาสอนในแนวอื่นจะมาสอนมะม่วงในแนวของศิลธรรมจันยามะม่วงบางชนิดข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบบางชนิดข้างนอกข้างในข้างนอกดิบข้างในสุก บ, บางชนิดข้างนอกสุก ข, ข้างในดิบบางชนิดมันก็สุกทั้งสองอย่างหรือสุกทั้งข้างในข้างนอกที่จะเอาเป็นเครื่องมือในการสอนใคร เช่นสมมติเตัวอย่างมันจะสอนเรื่องความรู้กับความประพฤติว่าคนเราที่สมบูรณ์นั้นมีความรู้ดีมีความประพฤติดีแต่บางคนมีแต่ความรู้ไม่ได้แก้ไขเปลีป่ยนแปลงความประพฤติหรือบางคนความประพฤติดีแต่ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตัว น, นี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่มันค่าของชีวิตในร้อยหนองมันก็เหมือนกัะเบนบ่วงที่ข้างนอกกรดิบข้างในกรดิบ แล้วก็คงจะเอาไปทํายําทําอะไรได้หนระือไม่ถึงก็จิ้งไปเลยทีเดียวในบางชนิดที่ข้างนอกมันสุก ข, ข้างในมันดิบเหมือนคนบางคนมีความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีภาพลักษณ์ที่ปรากฏข้างนอกมันก็น่าเชื่มยินดีแต่ว่าจิตใจไม่ดีแต่การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นทําไปลักษณะบุบบามไม่คยควร พ, พิจพิจารณาให้ชัดแจ้งบานก็อาจจะต้องไปคบผ่าน ซึ่งกดดึงเรื่องอะไรมาเป็นปนัญหาอีกเป็นอันมาในจุดนี้ตั้งก็สอนในพิจารณาในแง่ของความเป็นเรียกว่าเป็นบาป บ, บุญกุศลเป็นอุบายในการคิดในการพินิจพิจารณาหรือมัม่วงบางอย่างที่ข้างนอกมันดิบแต่ข้างในมันสุขก็ดูข้างนอกแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่ามีคุณธรรมสูงความรู้เขาไม่ค่อยดีจริงแต่ว่าคุณธรรมสูง แต่คุณธรรมบางอย่างมันมีลักษณะเหมือนกับผ้าคีออรีห่อทองดูสถานะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองครอบครัวแล้วก็ไป่น่าจะเป็นคนดีมีสินธรรมขนาดนี้ได้แต่เอาก็ะิมันก็มีคนหล่านี้อยู่เราได้ยินได้วังข่าวคนที่มีน้ำใจต่อสังคมไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองประสบอันต ร, ราย ไปถามไปดูรูปร่างหน้าตาไว้หนวดเฟิรม์มตัวดำเป็นเหลี่ยงตาดุดูไม่น่าเชื่อพัใจมันดีแต่ก็ใจแก่ก็ดีดูฐานะทางการงานปรากฏว่าเป็นกรรมกรรับจ้างดูบ้านก็เป็นกระท่อมเล็กๆ ก, กระใสก็ดื้อก็ดุทั้งเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษามีปัญหาทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจแบบภาคีหรือหอทองอย่างว่าก็ทําให้เป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั้งหลายแล้วคนบางคนที่เหมือนมะม่วงข้างนอกก็สุก ข, ข้างในก็สุกคือข้างนอกก็ผิวเหลืองน่ารับประทานพอปอกเปลือกก็จริงๆก็ปรากฏว่าหวานหอมอร่อยน่ารับประทานอันนี้ก็เป็นที่ต้องการคนทั้งหลายทั่วโลกเรา อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไปถึงจุดหนึ่งก็อาจจะสอนในแนวอื่นสอนในแนวของสังคาตธรรมอาจจะหยิบดอกบัวขึ้นมาสาักดอกหนึ่งสวยงามประวังเบ่งบานเสร็จแล้วผ่านการเวลาไปตัวความร้อนจากแสงประทิตแผดเผาเหี่ยวเช้าลงไปตามลำดับแล้ว ก, กรกปีบก็ร่วงโรยลงไปตกบนพื้นดินสูญสิ้นความเป็นดอกบัวที่สวยงามความสวยงามของดอกบัวเหล่านั้นก็ดรารงอยู่ระยะสั้น นั่นก็แสดงว่ามันมีอุบายวิธีที่จะเรียนมาจากอะไรก็ได้แล้วก็ทันเรียนในทุกเรื่องด้วยเรียนในแนวของทุกขสัจสมุทัยสั์นิโรธสัจมรรคสัตพราท่านมีความฉลาดพอในท่านหาประโยชน์ได้ที่บางทีที่พระเจ้าทรงสอนให้ดูดินดูทดินทัด น, น้ำทัดลมทัดไฟหรือว่าดินดูดินเปนก้อน หรือบันทีก็ดูก้อนเมฆดูกระแสน้ำดูะยับแดดดูไม้ใบไม้เหลืองที่กำลังรล่นร่วงโรยโปรยปลายออกมารั่นแล้วแต่เป็นคติชีวิตที่จะหาประโยชน์ได้ทั้งนั้นอย่างที่เคยพูดถึงพระประวัติของพระปฏิเจกาพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ท่านมองเห็นแค่ผมงอกบนศีสะมองชีวิตคล้ายๆกับเรือที่ถูกใบไม ให้ช่างกระระบบดึงผมบนศีรษะมาดูให้ช่างตัดผมอะดึงมาดูกระทั่งก็นั่งพิจารณาแล้วในสุดก็ตัดสินใจว่าเราเกิดมาในโลกเนียมนอยู่เกือบหกสิบปีแล้วแต่ยังไม่มีสาระแก่นสารอะไรแต่ชีวิตในสุดก็ต้องแตกดับเพราะผมมันงอกแล้วอีกวันก็ตายแล้ว เอาผมเส้นนั้นมานั่งพิจารณาแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงโลกทั้งปวงเจริญปัสนาบรนลุก ป, ปัจเจกปุถุญาณได้บางทีเห็นคนแย่งผลมะม่วงกันกิ่งก้านหักใบร่วงหล่นเกลื่อนกระดบางคนก็ทะเลาะ ก, กันคนก็บาดเจ็บมันสอนให้เห็นได้ทั้งสภาวะธรรมชาติสอนได้ทางภาวะลักษณะทางอารมณ์ เป็นกิเลสเป็นความโรคของก ค, ความหลงที่เกิดขึ้นภายในใจคนแล้วก็ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากกา ร, รลดละกิเลสประเภทดังกล่าวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้ทั้งนั้นเราจึงพบพระพุทธเจ้าทรงอุปมาร่างกายรูปร่างกายเมืันก็ฟองน้ําเบตานามันก็ต่อมน้ําสัญญาเหมือนพยับแดดสังขารมันก็กล้วยวิญญาณเหมือนภาพมายา ก็แต่ละอย่างนั้นไม่ได้อะไรจริงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวก็เพื่อบุคคลได้เกิดสำนึกเกิดความไม่ประมาทและประับใจยอมรับความจริงในส่วนนั้นนั้นก็สามารถที่จะลดตัวโมฆะคือความไม่รู้แจ้งเหินจริงให้จางไปคลายไ ป, ไปบรรเทาไปแล้วก็น้อมนำใจเข้าสู่หลักธรรมปฏิบัติ เพื่อให้ใจมีหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่น้อยก็มีความมั่นคงอยู่ในกุศลทั้งหลายอย่าบางครั้งก็สรงสอนง่ายๆอย่าประมาทในกุศลและธรรมทั้งหลายเป็นประโยชน์พูดง่ายๆสั้นๆแต่ทำยากมากหมายความเป็นการฝึกปรือระดับของการระมัดระวังควบคุมอาการกายวาจาและที่สำคัญองยิ่งก็คือ เรื่องความคิดจิตใจทำยังไงว่าให้มีความรู้ในการรักษาตัวอย่างน้อยก็บริหารตัวซึ่ ง, งชองใช้คาว่าบริหา ร, รยปัญญาคือมีปัญญาในการบริหารตัวสามารถป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันสามารถบาบัดในเรื่องที่ควรบาบัดสามารถที่จะสร้างสรรพัฒนาขึ้นในสิ่งทีควรเกี่ยวการสร้างสรรพัตนา เราก็สามารถที่จะควบคุมรักษาคุณธรรมความดีต่างๆเอาไว้แม้เสื่อมสลายไปยเห็นว่าปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปโดยในญานนี้มันก็ทําให้ปริมาณกิเลสลดลงไปปริมาณธรรมะก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุคคลก็จะได้ความสุขความสงบความเย็นกายเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจ เพราะว่าพระธรรมนั้นจะรักษาผู้พระพฤตธธรรมไม่ให้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อกร่มใหญ่ป้องกนันโคลนไม่ให้เปียกฝนในยามที่ฝนตกนั่นเองต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป